อนาปติวานพิกษณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1,153 1. ภหนึ่งิกษาพิีไม่บวชให้ในเมื่อมีอันตรายสองพิกษณีสแสวงหาแล้วแต่ไม่ได้ 3. ภพิกษณีผู้เป็นไข้ 4. ภพิกษณีผู้มีเหตุขัดข้อง 5. ภาพิกษณีวิกลจริต 6. ภพิกษณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่7จบ